พระตายปิดกและอัฏกถาปแปลฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยชุดเก้าสิบเอ็ดเล่มเล่มที่สาปสิบเอ็ดระสุตตันตปิดกขุตกะนิกายขุตกะปาถะเล่มหนึ่งภาคหนึ่งสำหรับเสียงอ่านทุกเรื่องหากมีการออกเสียงผิดพลาดต้องของอาภายัยเวทานี้ด้วยนะครับขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสารณคมในขุทกกาปาทักว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยพุทธทงังสารนังคชามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะธรรมังสารนังคชามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสารณะสังฆังสารนังคชามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะ ทุติยัมปิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะตติยัมปิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถึงพระสงค์เป็นสารณะปรมัตถโชติกาอัทธกถาคุตตะนิกายขุตตะปาธาขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำปราบพระคัมภีรนิเทศนี้ว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสารณะข้าพเจ้าถึงพระสงค์เป็นสารณะ แม้ว่ารักที่สองที่สามก็เหมือนกันเป็นนิเทศอธิบายเรื่องการถึงพระสารณะไัยเป็นข้อต้นของคำพีขุตกะปาถะบัดนี้เพื่อเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งเนื้อความแห่งบาลีนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวอธิบายข้อนี้ด้วยอัตถกถาขุตกะปาถะชื่อว่าปรมัตถโชติกา ข้าพเจ้าไหว้พระรัตนตรัยที่สูงสุดแห่งวัตถุทั้งหลายที่ควรไหว้แล้วจะทําการพันานาความแห่งขุตกะปาถะการพันนา น, านี้อันข้าพเจ้าผู้รู้พระาศาสนาน้อยทําได้ยากยิ่งเพราะขุธกะปาถะมีอัฏฐะลึกซึ้งก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นเพราะเหตุที่ข้อวินิจฉัยของท่านบุรพาจารย์ยังมีอยู่เป็นนิดถึงวันนี้และนววังคสัตตุศาสตร์ ยังดำรงอยู่อย่างเดิมฉะนั้นข้าพเจ้าจะอาศัยนวังกษัติศาสตร์และข้อวินิจฉัยของบูรพาจารย์นี้จึงปรารถนาจะพันนาความด้วยความเคารพอย่างมากในพระสัทธรรมไม่ได้ประสงค์จะยกตนข่มท่านขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับการพันนาความนั้นเถินการกำหนดธธกุตกะปาถะ เพราะข้าพเจ้ากล่าวไว้ในคำปรารบนั้นว่าจะทําการพันานาความแหง่งขุตกะปาฐะบางปาฐะข้าพเจ้าจําต้องกําหนดขุตกะปาฐะทั้งหลายเสียก่อนแล้วจึงจะทําการพันานาความภายหลังเอกเทศส่วนส่วนหนึ่งของขุตกะปาฐะชื่อว่าขุตกะเอกเทศส่วนหนึ่งหนึ่งของนิกายทั้งห้าชื่อขุตกะนิกายว่าโดยธรรมะและโดยอัฏฐะ คำพี่เหล่านั้นมีห้ า, านิกายคือทีฆานิกายมาจิมะนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายและขุทกะกนิกายชื่อว่านิกายห้าบรรดานิกายทั้งห้านั้นพระสูตรสามสิบสี่สูตรมีพรมะชาลสูตรเป็นต้นชื่อว่าทีฆานิกายจริงดังที่ท่านกล่าวว่า ที่าที่รวบรวมพระสูตร34สูตรสามวร์คชื่อว่าทีฆะนิกายอนุโลมที่หนึ่งพระสูตร152สูตรมีมู ล, ลปริยาญสูตรเป็นต้นชื่อว่ามัชชิมะนิกายพระสูตร7จ6 2สูตรมีโอคาตรณสูตรเป็นต้นชื่อว่าสังยุตตนิกาย พระสูตร9557ห้าสูตรมีจิตตะบริยาทานสูตรเป็นต้นชื่อว่าอังคุตระนิกายคุตกะปาทะธรรมบทอุทานอิติอุตกะสุตตะนิบาทวิมานวัตถุเปตะวัตถุเทระคาถาเทริคาถาชาดกนิเทศปฏิสัมพิธาอปทานพุทธวง จริยาปิดกพระพุทธพจน์ที่เหลือเ ว, ว้นวินัยปิดกอภิธรรมปิดกและนิกายทั้งสี่ชื่อว่าขุตกะนิกายเหตุไรนิกายนี้ท่านจึงเรียกว่าขุตกะนิกายเหตุเป็นที่รวมเป็นที่อยู่ของหมวดธรรมะเล็กๆจํานวนมากจริงอยู่การรวมกันอยู่ท่านเรียกว่านิกายว่าโดยศาสนาและโดยโลกในข้อนี้ มีสาทกเป็นต้นอย่างนี้คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตมองไม่เห็นหมู่สัตว์หมู่หนึ่งอื่นวิจิตเหมือนอย่างหมู่สัตว์เดียรชาเลยหมู่กษัตริย์โปนิกะหมู่กษัตริย์จิกขลิกาเอกเทศส่วนหนึ่งของธธากุตกะนิกายนั้นมีดังนี้หมวดธรรมะเล็กๆที่นับเนื่องในพระสุตตันตปิฎกเหล่านี้มุ่งหมายที่จะเปิดเผยจำแนก ทำให้ง่ายโดยอัฏฐะขุทธะปาฐะก้าประเภทคือสารณะสิกขาบททวติงสาการกุมารปัญหาหรือสมมเ น, นปัญหามงคลลสูตรรัตนสูตรติโรกุณทสูตรนิธิกันทสูตรและเมตสูตรเป็นข้อต้นของหมวดธรรมแม้เหล่านั้นโดยอา จ, จารย์ต่อมายกขึ้นสู่ทางการบอกการสอน ไม่ใช่โดยเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้จริงอยู่คถาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราสแสวงหาช่างผู้ทําเรือนคืออันตรภาพเมื่อไม่พบได้ท่องเที่ยวไปแล้วสิ้นสงสารนับด้วยชาติไม่ใช่น้อยความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ดูก่อนช่างผู้ทําเรือนคืออันตรภาพเราพบท่านแล้ว ทานจะทำเรือนคืออัตภาพของเราอีกไม่ได้โครงบ้านของท่านทั้งหมดเราทำลายแล้วยอดแห่งเรือนคือคือว่าเรารื้อแล้วจิตของเราถึงพระนิพพานแล้วเพราะเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาทั้งหลายแล้วชื่อว่าเป็นพระปฐมพุทธวจนะแม้ทั้งหมดโดยเป็นพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว ที่ชื่อว่าพระประถมพุทธดำรัตน์นั้นก็โดยที่ตรัสทางพระมณั์มิใช่ทรงเปล่งพระวาจาตรัสส่วนพระคถามีว่าเมื่อใดธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เนื้อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ชัดธรรมะพร้อมทั้งเหตุ ชื่อว่าเป็นพระปฐมพุทธดำรัตโดยที่เป็นพระดำรัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งพระวาจาตรัสเพราะฉะนั้นขุ ธ, ธกะปาฐะเก้าประเภทนี้ใดชื่อว่าเป็นข้อต้นของหมวดธรรมเล็กๆเหล่านั้นเราจะเริ่มพันานาความแห่งขุตกะปาฐะนั้นตั้งแต่ต้นไปการชำระคำเริ่มต้น วาจานี้ว่าพุทธังสรนังคชามิธรรมังสรนังคชามิสังคังสารนังคชามิเป็นข้อต้นของคำเริ่มต้นนั้นหัวข้อพันณ า, าความของคำเริ่มต้นนั้นมีดังนี้พระสรณัตไกรใครกล่าวกล่าวที่ไหนกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะอะไรกล่าวเพราะเหตุไรอันหนึง่งที่มิได้ตรัสไว้มาแค่แรก เพราะเหตุไรในที่นี้จึงว่าตรัสไว้เป็นข้อแรกจำต้องชำระคำเริ่มต้นต่อจากนั้นไปในคำเริ่มต้นก็จะชี้แจงเรื่องพระพุท ธ, ธะเรื่องการถึงสารณะและเรื่องบุคคลผู้ถึงสารณะจะแสดงการขาดการไม่ขาดแห่งสารณะคมทั้งผลทั้งสรณะที่ควรถึงแม้ในสองสารณะ มีรรมังสารนังเป็นต้นก็รู้กันแล้วว่ามีนัยยะอย่างนี้จะอธิบายเหตุในการกำหนดโดยลำดับและจะประกาศสารณาตรายนั้นด้วยข้ออุปมาทั้งหลายบรรดาคถาเหล่านั้นคถาแรกก่อนอื่นมีปัญหาห้าข้อคือ 1. พระสรณะตรายนี้ใครกล่าว 2. กล่าวที่ไหนสา กล่าวเมื่อไหร่ 4. กล่าวเพราะเหตุไรและหอันหนึ่งที่พระตถาคตไม่ได้ตรัสไว้มาแต่แรกเพราะเหตุไรในที่นี้จึงว่าตรัสไว้เป็นข้อแรกจะวิสัชนาปัญหาทั้งห้าข้อนั้นปัญหาว่าใครกล่าววิสัชนาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไม่ใช่พระสาวก ไม่ใช่เหล่าฤาษีไม่ใช่เทวดากล่าวปัญหาว่ากล่าวที่ไหนวิสัชนาว่าที่อิสิ ป, ปตนมิคัทยวันกรุงพารณนีปัญหาว่ากล่าวเมื่อไรวิสัชนาว่าเมื่อท่านพระยศสะบรรลุพระอระหันต์พร้อมกับสหายทั้งหลายเมื่อพระอระหันต์อกองค์ กระทำการแสดงธรรมในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากปัญหาว่ากล่าวเพราะเหตุไรวิสัชนาว่าเพื่อบรรพชาและเพื่ออุปสมบทอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แล่อุปสัมปทาเปกขะอันภิกษุพึงให้บรรพชาอุปสมบทอย่างนี้ ข้อแรกให้ปลงผมและนวดให้ครองผ้ากาสายะให้ทำผ้าหม่มเวียงบาให้ไหว้เท้าพิกสุทั้งหลายให้นั่งกระยงให้ประคองอัญชลีคือพระนมมือพึงสอนให้ว่าตามอย่างนี้ว่าพุทธังสรนังคชามิทำมังสารนังคชามิสังคังสารนังคชามิ ปัญหาว่าเพราะเหตุไรในที่นี้จึงตรัสเป็นข้อแรกวิศัชนาว่าเพราะเหตุที่เทวดาและมนุษย์พากันเข้าสู่พระศาสนาด้วยเป็นอุบาสกบ้างเป็นบรรพชิตบ้างด้วยทางนี้ฉะนั้นจึงควรรู้ว่าณวังคสัตตุศาสนี้ท่านบูรพาจารย์ทั้งหลายรวบรวมไว้ด้วยปีดกทั้งสามยกขึ้นสู่ทางการบอกการสอน จึงว่าตรัสเป็นข้อแรกในขุตกะปาฐานี้เพราะเป็นทางเข้าสู่พระศาสนาหมายเหตุ head, ผู้อ่านสับหลายคําในพระไตรปิฎกแต่ลาฉบับนั้นอาจจะมีแตกต่างกันบ้างตามแต่ว่าใครแปลนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังสนใจแต่เนื้อหาสาระทั้งนี้ผู้อ่านก็จะอ่านตามแต่ละฉบับนั้นที่เขียนไว้นะครับ ชี้แจงเรื่องสรณคมและพูดถึงสารณคมบัตรนี้จะกล่าวชี้แจงในเรื่องการถึงสารณคมเป็นต้นดังต่อไปนี้พระรัตนไตรที่ชื่อว่าสารณะเราะกาจัดอธิบายว่าบีบทําลายนําออกดับภัยคือความกลัวความหวาดสะดุ้งทุกทุกติความเศร้าหมอง ด้วยการถึงสรณะนั้นนั่นแหลของคนทั้งหลายที่ถึงสรณะคมอีกในยาหนึ่งพระพุทธเจ้าชื่อว่าสรณะเพราะ ก, กําจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยการให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และนำออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระธรรมชื่อว่าสรณะเพราะให้สัตว์ข้ามพ้นกันดานคือพบและให้ความโปร่งใจ ประสงค์ชื่อว่าสรณะเพราะกระทาสักการะแม้เพียงเล็กน้อยให้กลับได้ผลอันภัยบูนเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนั้นจึงชื่อว่าสรณะโดยปริยายดังว่ามานี้จิตตุ บ, บา ท, ที่ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นและความเคารพในพระรัตนตรัยนั้นกำจัดทำลายกิเลสเได้เป็นไปโดยอาการ คือความมีพระรัตนตรัยนั้นเป็นเบื้องหน้าหรือไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยคือชากจูงชื่อว่าสรณะคมสัตว์ผู้พรางพร้อมด้วยจิตตุบาทนั้นย่อมถึงพระรัตนตรัยนั้นเป็นสรณะอธิบายว่าย่อมเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยจิตตุบาทที่มีประการดังกล่าวแล้วอย่างนี้ว่า นี้เป็นสารณะของข้าพระเจ้านี้เป็นเครื่องนาหน้าของข้าพระเจ้าก็บุคคลเมื่อจะเข้าถึงย่อมเข้าถึงด้วยวิธีสมาทานเหมือนอย่างนายพานิษสองคนชื่อว่าตปุสะและพัลลิกะเป็นต้นที่ได้กราบทูลไว้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองนั้นขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระธรรมเป็นสารณะ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำข้าพระองค์ทั้งสองว่าเป็นอุบาสกดังนี้ก็ได้เข้าถึงด้วยวิธียอมเป็นสิทธิ์เหมือนอย่างท่านพระมาหากัสปะเป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นศาสดา ข, ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกดังนี้ก็ได้ เข้าถึงโดยวิธีทุ่มตัวไปในพระรัตนตรัยนั้นเหมือนอย่างพรหมายุพรามเป็นต้นความบาลีว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้พรหมายุพรามก็ลุกจากอาสนะประทาผ้าห่มเฉวียงบ่าประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่เหล่งอุทานสามครั้งว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธสัจดังนี้ก็ได้เข้าถึงโดยวิธีมอบตนเช่นโยคีบุคคลผู้ขวนขวายในกรรมฐานก็ได้เข้าถึงโดยวิสัยและโดยกิจหลายวิธีเช่นโดยวิธีกำจัดอุปกิเลสด้วยการถึงสรารนคมเหมือนอย่างพระอริยบุคคลทั้งหลายก็ได้ชี้แจงเรื่องการถึงสรารนคม แล้วเรื่องบุคคลผู้เข้าถึงสรณคมดังกล่าวมานี้แสดงสรณคมขาดไม่ขาดและผลบัตรนี้จะแสดงสรณคมขาดเป็นต้นที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าจะแสดงสารณคมขาดและไม่ขาดทั้งผลทั้งสรณะที่ควรถึงดังต่อไปนี้ การขาดสารณาคมของบุคคลพูดถึงสารณาคมอย่างนี้มีสองอย่างคือมีโทษและไม่มีโทษการขาดสารณาคมเพราะการตายชื่อว่าไม่มีโทษการขาดสารณาคมเพราะหันไปนับถือศาสดาอื่นและประพฤติผิดในพระศาสดานั้นชื่อว่ามีโทษการขาดแม้ทั้งสองนั้น ย่อมมีแก่พวกปุถุชนเหล่านั้นสารณะของปุถุชนเหล่านั้นย่อมชื่อว่าเศร้าหมองเพราะประพฤติไปด้วยความไม่รู้ความสงสัยและความรู้ผิดและเพราะประพฤติไม่เอื้อเฟื้อเป็นต้นในพระพุทธคุณทั้งหลายส่วนพระอริยบุคคลหามีสรณะที่ขาดไม่และหามีสารณะเศร้าหมองไม่เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิจะพึงนับถือศาสดาอื่นม่ใช่ฐานะม่ใช่โอกาสส่วนพวกปุถุชนยังไม่ถึงการขาดสรณะตราบใดตราบนั้นก็ยังชื่อว่าเป็นผู้มีสรณะไม่ขาดการขาดสรณะของปุถุชนเหล่านั้นย่อมมีโทษ มีความเศร้าหมองและอำนวยผลที่ไม่น่าปรารถนาการขาดสาระที่ไม่มีโทษก็ไม่มีผลเพราะหาวิบากไม่ได้ส่วนการไม่ขาดสารณะว่าโดยผลก็ย่อมอำนวยผลที่น่าปรารถนาอย่างเดียวเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าชน เ, าเหล่าใดเหล่าหนึง่งถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระชนเหล่านั้นละกายมนุษย์ไปแล้ว ก็จักไม่เข้าถึงอบายภูมิจักทาหมู่เทพให้บริบูรณ์ดังนี้ก็ในข้อนั้นพึงทราบอธิบายแห่งคาถาอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดถึงสารณะด้วยการตัดอุปกิเลสได้ขาดด้วยสารณะคมชนเหล่านั้นจักไม่ไปอบายส่วนชนนอกนั้นจักไม่ไปอบายก็ด้วยการถึงสารณะ แสดงสารณะที่ควรถึงในการแสดงสารณะที่ควรถึงผู้ทักทวงกล่าวว่าในคำนี้ว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะผู้นั้นจะพึงถึงพระพุทธเจ้าหรือสารณะแม้ทั้งสองคาและกล่าวแต่คําเดียวก็ไรประโยชน์เพราะเหตุไร เพราะมีแต่กิริยาคือการถึงไม่มีสองกรรมความจริงนักคิดทางอักษรศาสตร์เมื่อประสงกรรมสองกรรมในข้อนี้เหมือนในคำว่าอาชังคามเนติเป็นต้นฉะนั้นถ้าพูดทักท้วงกล่าวว่าการกล่าวแม่คาทั้งสองมีแค่ประโยชน์อย่างเดียวเหมือนในคำว่าคัจเตวะ พังที่สังคัจจติปัจฉิมังที่สังนักคิดอักสารศาสตร์ไม่ประสองค์อย่างนั้นหรอกเพราะท่านไม่ประสงค์ว่าพระพุทธเจ้าและสารณะเป็นตัวเหตุเท่าเทกันความจริงเมื่อประสงค์ว่าพระพุทธเจ้าและสารณะเหล่านั้นเป็นตัวเหตุเท่าเทกันแล้วบุคคลแม้มีจิตคนเคืองเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ก็จะพึงเชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงสรณะนะสิสรณะนั้นใดทำให้ต่างไปว่าพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ชื่อว่าถึงสรณะนั้นทั้งนั้นถ้าผู้ทักทวงกล่าวว่าท่านประสงค์เอาความที่พระพุทธเจ้าและสรณะเป็นตัวเหตุเท่าๆกันเพราะบาลีว่า เอตังโขสรารนางเขมังเอตังสรารณะมุตตมังสรารณะนั่นแหละเกษมปลอดภัยสรารณะนั้นอุดมสูงสุดไม่ประสงค์เช่นนั้นหรอกเพราะในบทคถานั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้นความจริงในบทคถานั้นนั่นแหละท่านประสงค์ถึงความที่พระพุทธเจ้าและสรารณะเป็นตัวเหตุเท่าเท่ากันอย่างนี้ว่าสรารณะทั้งกเกษมทั้งอุดม เพราะพิจารณาเป็นถึงพระรัตน์ไรมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นในความเป็นสารณะที่นับได้ว่ากําจัดภัยแก่ผู้ถึงสารณคมได้จริงส่วนในบาลีประเทศอื่นเมื่อมีความสัมพันธ์ด้วยผู้ถึงสารณคมท่านก็ไม่ประสงค์ความที่พระพุทธเจ้าและสารณะเป็นตัวเหตุเท่าเๆกันเพราะไม่สําเร็จเป็นสารณคม ดังนั้นคำนี้จึงสาทกไม่ได้ถ้าผู้ทักท้วงกล่าวว่าน่าจะประสงค์เอาความที่พระพุทธเจ้าและสรณะเป็นตัวเหตุเท่าๆกันเพราะสําเร็จเป็นสรระคมแม้เมื่อมีความสัมพันธ์ด้วยพูดถึงสาระคมได้ในบาลีนี้ว่าเอตังสรณะนาคัมมะสภพทุก ข, ขาปมุจติ บุคคลอาศัยสารณะนั้นย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงดังนี้ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกเพราะขัดข้องด้วยโทษที่กล่าวมาก่อนแล้วความจริงแมในข้อนั้นก็จะพึงขัดข้องด้วยโทษที่กล่าวมาก่อนว่าเมื่อมีความที่พระพุทธเจ้าและสรณะเป็นตัวเหตุเท่าเทกันอยู่บุคคลแม่มีจิตขนเคืองอาศัยสารณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ก็จะพึงหลุดพ้นจากทุกข์ได้หมดน่ะสิแต่จะว่าไม่ขัดข้องด้วยโทษก็หาไม่ได้ดังนั้นคำนั้นจึงสาทกไม่ได้พึงทราบอธิบายในข้อนั้นอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะหลุดพ้นด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรท่านก็กล่าวว่า อาศัยกัลยาณมิตรจึงหลุดพ้นได้ในบาลีนี้ว่าดูก่อนอานนท์ก็สัตว์ทั้งหลายที่มีชาติความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรย่อมหลุดพ้นจากชาติคือการเกิดดังนี้ฉันใดแต่ในที่นี้บุคคลเมื่อจะหลุดพ้นด้วยอนุภาพแห่งสรณนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ท่านก็กล่าวว่าบุคคลอาศัยสารณะนี้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังนี้ก็ฉันนั้นความที่พระพุทธเจ้าเป็นขมานียะควรถึงก็ไม่ถูกความที่สรณะเป็นขมานียะควรถึงก็ไม่ถูกความที่พระพุทธเจ้าและสารณะทั้งสองเป็นขมานียะควรถึงก็ไม่ถูก แม้โดยประการทั้งปวงอย่างนี้คมณียะสิ่งที่ควรถึงของผู้ถึงสรณคมที่ท่านอธิบายว่าข้าพเจ้าถึงสิ่งที่พึงปรารถนาควรกล่าวถึงต่อ น, นั้นก็ควรกล่าวข้อยุติคือข้อที่ถูกในเรื่องนี้ดังนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวข้อยุติดังต่อไปนี้ ในข้อยุตินี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นคำนิยยะแต่เพื่อแสดงอาการคือการถึงคำกล่าวถึงสารณะนั้นมีว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นปารายณะนำหน้าของข้าพเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกเป็นผู้ทรงประโยชน์ข้าพเจ้าถึงคบเสพ เข้าใกล้จิตพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความประสง์ดังกล่าวมานี้หรือว่าข้าพเจ้ารู้ทราบอย่างนี้จึิงอยู่กติเป็นประโยชน์ของทาตเหล่าใดแม้ความรู้ก็เป็นประโยชน์ของทาตเหล่านั้นถ้าผู้ทักท้วงกล่าวว่าข้อนั้นไม่ถูกเพราะไม่ประกอบอิติศัพท์คำทักท้วงนั้นก็ไม่ถูก ข้ อ, อยุติที่ถูกในเรื่องนั้นพึงมีดังนี้หากว่าความในเรื่องนั้นพึงมีอย่างนี้ไซแต่นั้นก็พึงต้องประกอบอิทิศัพท์ดังในประโยคทั้งหลายเป็นต้นว่าอณิจังรูปังอณิจังรูปันติยะถาภูตังปชานาติย่อมรู้ชัดรูปที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงดังนี้ อิติสัพท่านหาประกอบไว้ไม่เพราะฉะนั้นข้อทักท้วงนั้นจึงไม่ถูกแต่อันนี้ไม่ถูกเพราะเหตุไรเพราะความของอิติสัพมีอยู่ในตัวนั้นแล้วความของอิติสัพแม้ในที่นี้ก็มีอยู่พร้อมดังในประโยคทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่าโยจะพุทธจะธรมมันจะสังคัญจะสระนังคโต ก็ผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะดังนี้แต่ไม่ใช่จะต้องประกอบอิติศัพท์ไว้ในที่ทุกแห่งเพราะมีความอยู่พร้อมในตัวแล้วบัณฑิตพึงทราบความของอิติศัพท์แม้มิได้ประกอบไว้เหมือนดังประกอบไว้ในที่นั้นทั้งในที่อื่นซึ่งมีกําเนิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นอิติศัพท์จึงไม่มีโทษคือไม่ผิด ถ้าผู้ทักท้วงกล่าวว่าคำใดที่ท่านกล่าวไว้ว่าก็เพื่อแสดงอาการคือถึงจึงต้องกล่าวระบุสารณะดังนี้คำนั้นก็ไม่ถูกเพราะสารณะเท่านั้นเป็นค้ามณียะสิ่งที่ควรถึงได้ในบาลีเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตอนุญาตการบรรพชาด้วยสารณะคมสามดังนี้ คำที่ข้าพเจ้ากล่าวนั้นไม่ใช่ไม่ถูกเพราะเหตุไรเพราะคำนั้นมีความอยู่พร้อมในตัวความจริงความของอิทิศัพท์นั้นก็มีอยู่พร้อมในคำแม้นั่นเองเพราะเหตุที่แม้ไม่ประกอบอิติศัพท์ไว้เช่นคาก่อนก็พึงเห็นเหมือนดังประกอบอิติศัพท์ไว้นอกจากนี้ก็พึงขัดข้องด้วยโทษที่กล่าวมาก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้น พึงถือเอาตามที่ท่านสอนไว้เท่านั้นสแสดงสิ่งที่ควรถึงดังกล่าวมาช น, นี้ชี้แจงสรณะคือพระธรรมและพระสงฆ์บัดนี้จะกล่าวอธิบายต่อไปในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าแม้ในสารณะทั้งสอง มีว่าท ร, รมังสรรารนังเป็นต้นก็รู้กันแล้วว่ามีนัยยะอย่างนี้เหมือนกันนัยยะแห่งการพันานาความนี้ใดเทพเจ้ากล่าวไว้ในคานี้ว่าพุทธังสรนังคัจฉามิก็พึงทราบในแห่งการพันานาความนั้นในสองบทนี้ว่าท ร, รมังสรนังคัจฉามิสังขังสรรารนังคัจฉามิจริงอยู่ในข้อแม้นั้น ว่าโดยอัฏถะและพยัญชนะของพระธรรมและพระสงฆ์ก็มีเพียงการชี้แจงเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันนอกนั้นก็เหมือนกันกันกบที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นเพราะจะกล่าวอธิบายเฉพาะที่ไม่เหมือนกันในพระธรรมและพระสงฆ์นี้ดังนี้อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามักผลนิพพานชื่อว่าพระธรรมขันติ ความชอบใจหรือมติของพวกเราว่ามักละวีราคะเท่านั้นชื่อว่าพระธรรมในอัฏฐะนี้เพราะทรงผู้เจริญมักผลและผู้ทำให้แจ้งพระนิพพานแล้วโดยไม่ให้ตกไปในอบายทั้งหลายและทำให้โปร่งใจอย่างยิ่งขอยกอักบปสาทสูตรนั้นแหลเป็นข้อสาธก สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอักขปาษท่าสูตรนั้นเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังฆธรรมนี้เพียงใดอรียามรรกประกอบด้วยองค์8ดท่านกล่าวว่าเป็นยอดของสังฆต ธ, ธรรมเหล่านั้นกลุ่มของบุคคลทั้งหลายผู้พรางพร้อมด้วยอรียามารกสี่อย่างและผู้มีคันทสันดานอบรมยิ่ง ด้วยสามัญญผลสีชื่อว่าพระสงฆ์เพราะรวมตัวกันด้วยการรวมทิฏฐิและศีลสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อ น, นอานน์เธอจะสำคัญข้อนั้นเป็นชะไหนธรรมะเหล่าใดที่เราแสดงเพื่อรู้ยิ่งสำหรับเธอทั้งหลายคือสติประธานสีสมัดประธานสีอิทิบาสี อินสีห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดอานนนเธอจะไม่เห็นภิกษุแม่สองรูปมีวาทะต่างนี้ในธรรมะเหล่านี้เลยจริงอยู่พระสงฆ์โดยปารมานินี้อันบุคคลพึงถึงว่าเป็นสรณะในพระสูต ท, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทาบุญควรทำอัญชลียกมือไหว้เป็นนาบุญของโลกยอดเยี่ยมสารณคมของผู้ถึงสาระนั้นยอมไม่ขาดไม่เศร้าหมองด้วยการทำการไหว้เป็นต้นในภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แม้หมู่อื่น หรือพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขหรือสมมติสง์ต่างโดยสง์จตุวักเป็นต้นหรือแม้ในบุคคลคนหนึ่งซึ่งบวชเจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้าความต่างกันในสังฆาสรณะที่มีเท่านี้ส่วนวิธีการขาดและไม่ขาดเป็นต้นแห่งสรณะคมนี้และที่สองนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว พึงทราบตามในยะที่กล่าวมาก่อนแล้วการพนานาความข้อนี้ว่าแม้ในสองสรณะว่าธรรมังสรณนังเป็นต้นก็รู้กันแล้วว่าในยะนี้เหมือนกันมีเท่านี้ก่อนอธิบายเหตุในการกำหนดตามลำดับ ในคำนี้ว่าจะอธิบายเหตุในการกำหนดตามลำดับบัดนี้จะอธิบายเหตุในการกำหนดตามลำดับอย่างนี้ว่าในคำถึงสรณะทั้งสามนั้นท่านประกาศพระพุทธเจ้าอันดับแรกเพราะเป็นผู้เลิศแห่งสัตว์ทั้งปวงประกาศพระธรรมอันดับต่อมาเพราะเป็นแดนเกิดของพระพุทธเจ้านั้นและเพราะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้านั้นทรงนาออกสั่งสอนแล้ว ประกาศพระสงฆ์อันดับสุดท้ายเพราะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่ ง, รรร พ, รง พ, พระธรรมนั้นและเพราะส่องเสระธรรมนั้นอีกนัยยะหนึ่งท่านประกาศพระพุทธเจ้าอันดับแรกเพราะทรงประกอบสัตว์ทั้งปวงไว้ในหิตธะประโยชน์ประกาศพระธรรมอันดับต่อมาเพราะเป็นแดนเกิดแห่งพระพุทธเจ้านั้นและเพราะเป็นธรรมะเป็นหิตประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวง ประกาศพระสงฆ์เป็นอันดับสุดท้ายเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอิตธประโยชน์และมีอิตธประโยชน์อันบรรลุแล้วกำหนดโดยความเป็นสารณะประกาศด้วยข้ออุปมาบัทนี้จะกล่าวอธิบายคำที่ว่าจะประกาศพระสารณะไรนั้นด้วยข้ออุปมาทั้งหลาย ก็ในคำนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระจันเพนพระธรรมเปรียบเหมือนกลุ่มรัสมีของพระจันพระสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่เอิบอิ่มด้วยรัมีของพระจันเพนที่ทำให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระธรรมดังกล่าวเปรียบเหมือนขายรัสมีของดวงอาทิตย์นั้น พระสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่ดวงอาทิตย์นั้นกำจัดมืดแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนเผาป่าพระธรรมเครื่องเผาป่าคือกิเลสเปรียบเหมือนไฟเผาป่าพระสงค์ที่เป็นบุญยเขตเพราะเผากิเลสได้แล้วเปรียบเหมือนภูมิภาคที่เป็นเขตนาเพราะเผาป่าเสียแล้ว พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเมฆฝนใหญ่พระธรรมเปรียบเหมือนน้ำฝนพระสงฆ์ผู้ระงับละอองกิเลสเปรียบเหมือนชนบทที่ระงับละอองฝุ่นเพราะฝนตกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสาถีที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายฝึกม้าอาชาไยาาา พ, รพระสงฆ์เปรียบเหมือนฝูงม้าอาชาไยที่ฝึกมาดีแล้ว พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนศัลยแพทย์คือหมอผ่าตัดเพราะถอนลูกศรคือทิฏฐิได้หมดพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายที่ถอนลูกศร อ, ออกได้พระสงฆ์ผู้ถอนลูกศรคือทิฏฐิออกแล้วเปรียบเหมือนชนที่ถูกถอนลูกศร อ, ออกแล้วอีกในยะหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนจักสุแพทย พระสงค์ลอกพื้นชั้นโมหะออกได้แล้วพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายเครื่องลอกพื้นคือตาพระสงฆ์ผู้มีพื้นชั้นตาอันลอกแล้วผู้มีดวงตาคือยานอันสดใสเปรียบเหมือนชนที่ลอกพื้นตาแล้วมีดวงตาสดใสอีกไตยยหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทยผู้ฉลาด พระสงฆ์สามารถกำจัดพยาธคือกิเลสพร้อมทั้งอนุสัยออกได้พระธรรมเปรียบเหมือนเพสัชยาที่ทรงปรุงถูกต้องแล้วพระสงฆ์ผู้มีพยาธคือกิเลสและอนุสัยอนันระงับแล้วเปรียบเหมือนหมูชนที่พยาธระงับแล้วเพราะประกอบยาอีกในยาหนึ่ง พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ทางพระธรรมเปรียบเหมือนทางดีหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยพระสงฆ์เปรียบเหมือนผู้เดินทางถึงที่ที่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนในเรือที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนเรือพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้เดินทางถึงฝั่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนป่าหิมพาน พระธรรมเปรียบเหมือนโอสถยาที่เกิดแต่ป่าหิมพา น, นั้นพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ไม่มีโรคเพราะใช้ยาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ประทานซัพ์พระธรรมเปรียบเหมือนซั์พระสงฆ์ผู้ได้อริยาซัพ์มาโดยชอบเปรียบเหมือนชนผู้ได้ซัพ์ตามที่ประสงค์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้คุ้มซั์ พระธรรมเปรียบเหมือนขุมทรัพย์พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ได้ขุมทรัพย์อีกไวยะหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นวีระบุรุษเปรียบเหมือนผู้ประทานความไม่มีภัยพระธรรมเปรียบเหมือนไม่มีภัยพระสงฆ์ผู้ล่วงภัยทุกอย่างเปรียบเหมือนชนผู้ถึงความไม่มีภัย Ì, พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ปลอบพระธรรมเปรียบเหมือนการปลอบพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ถูกปลอบพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนมิตรดีพระธรรมเปรียบเหมือนคำสอนที่เป็นหิทธประโยชน์พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ประสบประโยชน์ตนเพราะประกอบอิตธประโยชน์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบอกเกิดซัพย์ พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย์ที่เป็นสาระพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ใช้ทรัพย์ที่เป็ น, นสาระพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ทรงสงสนานพระราชกุมารพระธรรมเปรียบเหมือนน้ำที่สนานตลอดพระเสียรพระสงฆ์ผู้สงสนานดีแล้วด้วยน้ำคือพระสัตธรรมเปรียบเหมือนหมู่พระราชกุมารที่สงสนานดีแล้ว พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนช่างผู้ทาเครื่องประดับพระธรรมเปรียบเหมือนเครื่องประดับพระสงฆ์ผู้ประดับด้วยพระสัทธธรรมเปรียบเหมือนหมูพระราชโอรสที่ทรงประดับแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นจันทร์พระธรรมเปรียบเหมือนกลิ่นอันเกิดแต่ต้นจันทร์นั้นพระสงฆ์ผู้ระงับความเร่าร้อนได้สิ้นเชิง ระ อ, อุ ป, ปโภคใช้พระสัตธรรมเปรียบเหมือนชนผู้ระ ง, งับความร้อนเพราะใช้จันทร์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบิดามอบมรดกโดยธรรมพระธรรมเปรียบเหมือนมรดกพระสงฆ์ผู้สืบมรดกคือพระสัตธมเปรียบเหมือนพวกบุตรผู้สืบมรดกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดอกปทุมที่บาน พระธรรมเปรียบเหมือนน้ำหวานที่เกิดจากดอกปทุมที่บานนั้นพระสงฆ์เปรียบเหมือนหมู่พรมรที่ดูดกิ่นน้ำหวานนั้นพึงประกาศพระสารณตรายนั้นด้วยข้ออุปมาทั้งหลายดังกล่าวมาเชนนี้มาติ ก, กาหัวข้อของคถาพันานาความที่ยกตั้งไว้ในเบื้องต้นด้วยสี่คถา ว่าพระสรณตรัยใครกล่าวกล่าวที่ไหนกล่าวเมื่อไรกล่าวเพราะเหตุไรเป็นต้นก็เป็นอันประกาศแล้วโดวยอัถะด้วยกถามีประมาณเพียงเท่านี้แหละจบกถาพันนาพระสรณตรัยอัทธกถาขุท ธ, ธกะปาถะชื่อปารมัตตโชติกา